بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الحمد لله رب العالمين اللهم ص ل و س ل م ب ا ر ك و أ ن ع م ع ل ى ن ب ف ي ن ا م ح م د و ع ل ى آ ل ه و ص ح ب ه أ ش م ع ي ن س ب ح ا ن ك ل ا ع ل م ل ن ا إ ل ا م ا ع ل م ت ن ا إ ن ك أ ن ت ا ل ع ل ي م ا ل ح ك ي م ر ب ن ا ظ ل م ن ا أ ن ف س ن ا وإلاّم توفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين و ب ن ا آ ت ن من ا من لدنك رحمة وهي لنا من أمرنا رشدا الحمد لله إن شاء الله نكبرني ب ن وسط هاي سمرب صورة نوح สิ่นเป็นสุรพที่อัลลอฮฺได้พูดถึงเรื่องราวของอัดดาอีัลอวอลหรือนักดาวห์คนแรกในโลกนี้นะครับก็คือท่านนับดุลุอัลฮเพราะก่อนหน้านั้นนักดาวห์ใ น, นที่นี้ไม่ถึงว่าผู้ที่ทำหน้าที่ในการเรียกร้องให้มนุษย์กลับไปสู่การ สัท่าต่อ Allah سبحانه และ ت ع า ل ى เพราะก่อนหน้าท่านนบีนุยังไม่มีใครที่เป็นกูฟอร์ก่อนหน้ายุคของท่านนบีนุการกูฟอร์หรืการชิริกได้เกิดขึ้นครั้งแรกในยุคสมัยของท่านนบีนุอัลลอฮิสซลาムเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับเราได้อ่านจนถึงอายะที่24ที่ Allah อ ع ا ل ى ระบกว่า وقد أ ล ل ก ا ك ث ي ر น แ ล, ล, ล, ละจะ زيد الظالمين إلا ضلالا إن شاء الله นี้นเราจะมาอานให้จบนะครับเราจะมาดูความสัมพันธ์ของอายัดนี้กับสิ่งที่เราได้บอกไปรวมทั้งเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นในสังคมของเรานะครับที่กำลังสดสดร้อ น, นร้อนเรื่องเรื่องอะไร ชาร่ามาอ่านกันก่อนนะครับอายะที่สิบห้าครับชาร่า أعوذ بالله من الشيطان الرجيمأعوذ بالله من الشيطان มิมั้นขุทิอาِิห์ม์อ غرقوا فأدخلوا نارا فلم يجدوا لهم من دون الله أن โَ ق َ ا ะอิสราเอَแَะ ب ِ ا ل าเอลและอิสรَเอลْลَอิสราเอลและอิสราเอลและอิَราเอ ا อัลล ا ฮฺประทานบิดาแห่งการละหมาดให้เ إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فجرا ا كفرا ا ك <تصفيق> ر ي ن ب ا ك ف ي ر و ل يا س ا ي ا يا ل ا يا ي ا رب غ ف ر لي ولوالدي ولينما دخل بيتي ممنا. والمن دخل ب ي ت مؤمن وللمؤمنين والمؤمنات وَلَا تَزِيدُ الظَّالِمِينَ إلَّا ت َ ب َ ا ر َ ا الحمد لله مما خطيئاتهم อ غ ق นะุ ق و ا فأدخلوا نارا ด้วยข้อะีก็คือความผิดของพวกเขาก็คือพักคพวกของท่านนบีนุความผิดอะไรครับความผิดในการชิริกในการเคารพรูปปั้นรูปกราบไหว้ซึ่งอไกรณนน้านี่ละตลาได้บอกว่าวَ ق َ د ْ أ َลลُู و ك ث َ ث ي ر ا เป็นคำพูดของท่านนบีนุนะครับที่ละลาได้เล่า أ َ ظ ْลูก <c oughs> أ. أ ็คือ ทำให้หลงทางการทำให้หลงทางตรงนี้คําหมายของมันก็คือบรรดาผู้นำบรรดาคนที่เป็นแกนนำในสังคมในนบีนูหรือตัวรูปปั้นเองก็ทำให้คนหลงทางนะอูดุบิละฮ์มินดาลิกอันนี้เนี่ยอ่เราก็พูดถึงแล้วนิดหนึ่งนะครับเมื่อครั้งที่แล้วว่า มันเป็นเรื่องโบราณมากแต่มันก็มีให้เห็นจนถึงวันนี้นะผลิตไม่ทันเรามีการจองตัวเครื่องวินให้ด้วย <c oughs> ผมไม่รู้จะพูดยังไงคือดูข่าวแล้วเราต้องนั่งขำอยู่คนเดียวเราต้องเรียนไป <c oughs> ใช่ไหมครับลูกอะไรนะ <c oughs> ไม่รู้จะตั้งเชื่ออะไรแล้วละอิละฮะอิลล allah ฮะสุบฮานัลลอฮดูมันสมองมนุษย์ฮะสติปัญญาของมนุษย์ละอิละฮะอิลล allah อวัลลุมันทำให้มนุษย์หลงทางได้ด้วย สิ่งที่เราก็ไม่รู้จะอธิบายวามันมั น, ม, นมันเป็นไปได้อย่างไนะงัลลอฮฺเบียดลเลาะ์มินซาลิกเพราะฉะนั้นอันตรายมากนะครับดูว่ามันเป็นเรื่องเล็กๆดูว่ามันเป็นเรื่องไม่เกี่ยวกับเราแต่มันเป็นเรื่องใกล้ใกล้ตัวมากเพราะว่าเท่าที่เห็นในในในบางสเตตัสบางโพสต์นี่ก็บอกว่าสำหรับคนที่นับถืออิสลามก็จองได้เหมือนกันอะ <c oughs> <laughs> มีฮูมีฮูมิมยามด้วย เราอุบิลละห์ม่เหมือนันอันนี้คืออันตรายของชีริกซึ่งเวลาที่คนมันโดนโรคนี้เข้าไปโรคชีริกเป็นโรคที่ร้ายแรงที่สุดในจํานวนโรคที่เกี่ยวข้องกับหัวใจโรคชีริกจะเป็นโรคที่ร้ายแรงที่สุดไม่มีอีกแล้วที่จะร้ายแรงไปกว่าโรคชีริกเวลาที่มีชีริกแค่ตัวเดียวเนี่ยมันเหมือนกับเป็นมะเร็ง เหมือนกับเขเรียกว่ามันคนที่เป็นโรคเบาหวานเวลาที่มันโดนมีเบาหวานอยู่ตัวเดียวเนี่ยมันจะโดนโรคอื่นด้วยมันจะโดนง่ายมากเพราะว่าเขาเรียกว่าเป็นการเปิดท่อให้โรคทุกโรคนี่มันรุมเข้ามาหาร่างกายรุมเข้ามาหาวัวใจอันนี้คือโรคชีริกอาลลอฮุซุลเลาห์มันได้เพราะฉะนั้นเราจะต้องเรียนต้องเรียนให้เข้าใจว่าอะไรคือชิริก แล้วมันจะเข้ามาหาเรามันจะเข้ามาโจมตีเรามันจะเข้ามาทำลายอัติยดัจของเราในทางไหนบ้างชีริกในเรื่องความเกรงกลัวชีริกในเรื่องของความรักชีริกในเรื่องของการแต้วกันการมอบหมายชีริกอ ะ, อะไรอีกในเรื่องงการพึ่งพ า, ใ น, งงงาในเรื่องของการขอความช่วยเหลือในเรื่องของการขอเยอะแยะมากมายมีช่องทางที่จะทา พระอราติดโรคนี้เยอะมาเตาต้องรู sur, ah nah, ้นะครับนะอบในิลักมนตร์นัและฉันจดลูัน่าีันแลมัะอิาดีฉจะดลมีนอางดีฉันะดาลมันอ่างีนุก็เลยบอกว่าถ้าฉัลจะาูแลมันอ่าันจะูลนอยางดีฉันจะล่างดีฉันจดลนางดีฉะนลันยาฉันจะดูแลมันย่างแบบสุจๆไปเลยาีฉันจะด้สลายในจะลน่างดีฉันะลอ่างดันจะดูแลมั่างี้เนี่ย นะเวลาที่ท่านนาบีนุเห็นคนเหล่านี้โดนลงโทษจะจะจะได้ไม่ต้องรู้สึกโศกเศร้าอาจะได้ไม่ต้องรู้สึกนะนั่นก็ยังมีถึงแม้ว่าจะขออุดมอาอย่างนี้แล้วเนี่ยยังมีความรู้สึกเมตตานะยังรู้สึกเอ็นดูลูกของตัวเองนะยังบอกยังขออุดมอากับอัลลอฮ์ว่าเนี่ยลูกชายนี่เป็นเป็นครอบครัวของฉันนะถึงกระทั่งองัลลอฮ์ตรอัลกุรอานท่านนาบีนุอิลลัฮุเลส์มินอัพลิก นะบอกกับนบีนุ้กว่าไม่ใช่เพราะว่าลูกของเจ้าไม่ศรัทธาไม่ใช่นะไม่ใช่อยากขอดุอาให้นบีนุ้กก็เลยขออภยัยโทษกับอัลลอฮฺสุบฮานะละหลังจากนะั้นถึงขนาดนั้นเลยนะครับนี่คืออิคุมัตที่ว่าทําไมนบีนุ้งต้องขอดุอาอย่างนี้และแน่นอนว่าความลําบากการอดทนท่านนาบีนู้งได้ทนมาถึงเก้ารอยห้าสิบปีเพียงพอแล้วที่จะเป็นข้ออ้างหรือที่เราจะใช้เป็นข้ออ้างหาเหตุผลว่า ทำไมถึงต้องขอดูออ่าแบบนี้นะครับอัลลอฮอะลยฮานะอายต์อมามิมมะขัตีเอติหิมอุริกูเนี่เป็นการอธิบายชาอัลลอฮ์สุบฮาวแต่ละว่าด้วยความผิดของพวกเขาเหล่านั้นด้วยบาวและความดื้อด้านของพวกเขาบนการปฏิเสธศรัทธาและการละเมิดอุริกูทำให้พวกเขานั้นจมน้ำ น้ำท่วมนะครับนอกจากบรรดาผู้ศรัท ธ, ธาที่ศรัทนะ ธ, ธาต่อท่านอับดุมแล้วก็ขึ้นไปบนเรือของท่านอูริกุฟอุดฮิลูดาระสังเกตดูให้ดีคำสองคำนี้มันอยู่ติดกันเลยจมน้าแล้วเข้านรกอายักนี้แปลกมากอูริกุฟอุดฮิลูดาระจมน้าแล้วเข้านรก ดูค้ามาทบายเขาหนูแค่สิร์อนูแค่สิร์อ่าที่บานวาอย่างเงี้ยไอ้นุกลูมินตัยยาริลบิฮารอิลฮราราตินนารย้ายจากคลื่นทะเลไปอยู่ในเปลวไฟทันทีทันใดเลยนี่คือการลงโทษของอัลลอฮฺสุบฮา น, นาอัลลอฮฺดูเห็นกับตาว่ากำลังจมน้ำแต่จริงๆแล้วอยู่ที่ไหนครับ อยู่ในนรกวิญญาณนี่อยู่ในนรกแล้วนะในในอัสซาดีบอกว่าฟาฏฮับัต أجسادهم في الغرق وأرواحهم للنار والحرق والحرق ร่างกายเนี่ยเห็นมันกำลังลอยน้ำหรือจมน้ำแต่วิญญาณเนี่ยเอาละเอาไปลงโทษในนรกแล้วทันทีทันใดเลยหลังจากที่สิ้นชีวิตในน้ำเนี่ยเข้านรกทันทีเลยด้วยความ นะด้วยความอะไรเขาเรียกความหนักหนาสาหัสของโทษหรือของบาป ท, ที่คนเหล่านี้ได้เก่อเอาไว้อาละตละไม่ปล่อยว่ารอจนถึงวันกิยรัิก่อนไม่จมตอนนั้นวิญญาณไปอยู่ในนรกซะแล้วนั่งรู้เป็นละมินได้ละข้าวละว่าละผู้ลา่นละเป็อันนี้เป็นการเป็นการอธิบายของบรรดาอุลามะนะครับซึ่ง สังเกตจากอายะที่อัลลอฮฺตรัสถาว่าอุริคุแล้วมีตัวฟาอยู่นะฟาฟาอุดฮิลูนาระฟาตัวเนี้ยเป็นตัวเชื่อมระหว่างอุริคุกับอุดฮิลอันนี้เป็นเป็นหลักวิชาภาษาอาหรับเนี้ยอาลลอฮก็รัสถัมซีดอย่างนั้นแม้กระทั่งในภาษาไทยเองนี้ก็บอกว่าอะไรนะพวกเขาถูกทําให้จมไปกับน้ําท่วมและถูกนําให้เข้านรกที่มีเปลวไฟและความร้อนอันรุนแรง อาบดุลลาห์มัลลิม์ฟัลม์ย์ยิดูลห์ม์มินดูนอัลฮ์อันซาระและพวกเขาก็จะไม่พบว่ามีคนอื่นนอกเหนือจากอัลลอฮ์ที่สามารถช่วยเหลือพวกเขาได้หรือสามารถปกป้องพวกเขาให้พ้นจากการลงโทษของอัลลอฮ์ได้ห้ารุปันวัดสุอายาหุสยาอูบนะซอยู่ที่ไหนทําไมไม่มาช่วย ตอนที่น้ำชุ่มเนี่ยรูปพันห้ารูปนี้ไปอยู่ที่ไหนฮะจมไปด้วยไม่ช่วยไม่ได้ดุนเนี้ก็ช่วยไม่ได้นักระษาอะไรกับใดใะอัคราในอัคราเ น, นีะะ่ยแล้วกันเราจะเชิญมาหมดเลยเขาเรียกว่าเชิญมะบูดเชิญพระเจ้าที่พวกคนเหล่านี้แต่งตั้งให้เป็นพระเจ้าแต่งตั้งให้เป็นเทพมันจะเชิญมาแล้วก็จะมาบอกว่าเนี่ย คนพวกนี้กราบไหว้เจ้าเจ้าจะไหวอย่างไงดวงอาทิตย์ก็ถูกสอบถามนะพราะมีคนในโลกนี้มีคนที่ไหวดวงอาทิตย์หรือเปล่าดวงจันทร์จะมาเลยอิกัสเองจะถูกสอบถามว่าเนี่ยพวกนี้มันกราบไหว้เจ้าตกลงเจ้ายังไงเจ้าเป็นพระเจ้าจริงหรือทําไมคนพวกนี้ถึงกราบกราบไหว้เจ้า บรรดาผู้ที่ถูกแต่งตั้งหรือถูกอุปโลกให้เป็นพระเจ้าเป็นเทพทั้งหมดเนี่ยจะปัดเขาเรียกปัดอะไรนะปัดความรับผิดชอบปัดไม่เราไม่เกี่ยวคนพวกนี้มันตั้งขึ้นเองอินฮยอิลลอัสมาอุนไมตุมูฮอัตุมวอาบุคมมอัลัลัลลอฮบิฮนสุลตานในอัลกุรอานบอกว่าไอ้สิ่งที่เจ้ากรบทำวอะ่ะ ชื่อไอ้นั่นชื่อไอ้นี่ใครเป็นคนตั้งพระเจ้าตั้งให้ไว้หรือว่าไอ้ตัวที่เราไหว้อยู่นี่มันมันตั้งชื่อของมันเองไหมใครเป็นคนตั้งฮะไอ้คนที่ไหว้นั่นแหละเป็นคนตั้งชื่อให้สุบฮาอัลลอฮฺอุปโลกเองอันนี้ชื่อนี้อันนี้ชื่อนี้อันนี้ชื่อนี้อันนี้ชื่อนี้อินเฮียอิลลัอัสมาอัลลอฮฺตรัสามว่ามันไม่ใช่อย่างอื่นเลยนอกจากชื่อ ส ม, มัยตุมูฮะพวกเจ้าเป็นคนตั้งเองเอลอตละไม่ได้ตั้งไอตัวที่ถูกว่ายเองก็ไม่เคยใช่ตั้งตัวมันเองที่มาอันซลัลลอฮูบิฮามินสลตานไม่มีปรากฏในคำภีเดใดทั้งสิ้นที่ลงมาจากอาลัลลอฮ์ในแหละก็ถึงวนเกียมัตคนที่เป็นก็ที่ถูกอุปโลกทัเนี่ยจะบัตรความรับผิดชอบมึงไปเลยลุนกเกี่ยวกแม้กระทั่งชัยตอน ชัยตอนเองก็ไม่รับใจเจ้ามามาอันนบิมสุสลิกุมว่ามาอันตุมบิมุสริีนะพวกเจ้าไม่เกี่ยวกับฉันฉันก็ไม่เกี่ยวกับเจ้าวันนี้ตัวใครตัวมันไปเลยอะฉันแค่หลอกเจ้าแล้วเจ้าก็ตามฉันแค่นั้นเองไม่มีไม่ได้ไม่ได้บอกวาอ่าถ้าไม่อยู่กับกูเนี่ยมึงเดือดร้อนไหมไม่ได้บอกอย่างนั้นแค่หลอกแล้วพวกเจ้าก็เชื่อเอเมนไหมครับฟะลัมยาจิดูละห์ม <ara> มินดูนิลลาฮิอาสาราไม่มีใครที่สามารถช่วยเหลือให้เราพ้นจากการลงโทษของ Allah ได้เลยนอกจาก Allah سبحانه และอันดับนี้เนี่ยอุลมะบางคนอธิบายว่าเป็นการเนบเนมมุชริกีนมักกะเพราะอะไรนะถ้าสมมุติว่าเหตุการณ์ในสมัยนาบีนู ح, ห้าตัวเนี่ยมันมีอยู่ในสมัยนบีนูฮะ แล้วพอเกิดเหตุการณ์น้าท่วมเนี่ยห้าตัวเนี่ยช่วยอะไรได้ไหมช่วยอะไรไม่ได้เลยแล้วทําไมพวกเจ้าพวกมุสลินจึงเอาห้าตัวนี้มาเรื่มฟื้นอีกครั้งหนึ่งไม่ประโยชน์อะไรฮะมันล้มเหลวในการดูแลพรรคพวกของนบีนู่มมาแล้วในอดีตพวกเจ้าจะโง่ไปขนาดไหนไปเรื่มฟื้นไอ้ไอ้ไอ้ไอ้ห้าตัวที่เคยล้มเหลวในการดูแล มนุษย์ในยุคหนึ่งมาแล้วอ่ะไม่ทราบว่ไหครับเพราะว่าห้าตัวนี้อยู่ไหมในยุคของของมุชริกนสมัยท่านนาบีก็มีอีกรอบหนึ่งไนงะน่าแปลกอ่ะทําไมไม่หาตัวใหม่ยังดีกว่าอีกไม่ทำไมเอาตัวตัวเก่าเนี่ยไปเอาตัวเก่ามาทําขึ้นมาใหม่อีกเห็นไหมไม่ไมีประโยชน์เนี่ยเป็นกัรเน็บแนมพวกมุชริกรีนและอีกอย่างหนึ่งพวกมุชริกนเองเนี่ยไอ้ที่สร้างรูปปัน้น สาม้อยหกสิบตัวรอบกะบะแล้วก็รูปปันอื่นๆตามเผ่าต่างๆเนี่ยจุดประสงค์เนี่ยจุดประสงค์ดีนะไม่ใช่จุดประสงค์จุดประสงค์ดีแต่วิธีการไม่ถูกจุดประสงค์ก็คือเพื่อให้เข้าใกล้อลลอุสซาห์อัลลอฮ์ตาละมาเน عبد ุฮุมอิลลาลิยุครบูน่า إلال ลอฮิซุลฟานี่คือข้ออ้างของบรนนะมุสลิกี่เพวกเขาบอกว่าไอ้ที่เราเข้าไปหารู ป, ปั้นซึ่งจริงๆแล้วเป็นคนซอนแหละ เราเข้าไปหาคนเหล่านี้เนี่ยเพื่อให้คนเหล่านี้เอาเราเข้าใกล้อัลลอฮฺสุลตานอวตาละมันคิดอย่างนั้นของมันใช้ตอนมาหลอกอย่างนั้นก็เลยเชื่อคิดดีแต่วิธีผิดไม่ได้เอราะะ้นแล้วท่นละก็เลยบอกเป็นการเน็บแนมว่าเนี่ยไอ้สิ่งที่พวกเจ้าคิดว่ารูปปั้นต่างๆรูปเจวิตต่างๆรูปเคารพต่างๆที่เจ้าคิดว่ามันจะให้ความช่วยเหลือกับเจ้าได้เนี่ยมีไหมที่สามารถให้ความช่วยเหลือได้ ดูตัวอย่างในยุคนบิณุช่วยอะไรไม่ได้เลยตัวอย่างในยุคนบีบรอฮีมก็ช่วยอะไรไม่คือมันมีประวัติมาแทบทุกชนชาติอะแต่เราไม่เคยใช้บทเรียนเลยนบีนู่กก็ผ่านมาแล้วนบีซอลแล้วผ่านมาแล้วนบีพูดผ่านมาแล้วนบีบรอฮีมผ่านมาแล้วทุกยุคทุกสมัยล้มเหลวหมดเลยรูปกราบไหว้เหล่านี้ไม่สามารถจะช่วยเหลือมนุษย์ได้เลยแต่มนุษย์ก็ยัง เอาเรื่องเดิมเดิมมาทําเรื่องที่ล้มเหลวอ่ะเอามาอีกเอามาเกิดอีกเอามารีโนเวทอีกยังไม่เข็ดกับความล้มเหลวนะอังสะเบลล่ามินใจพอเข้าใจไหมครับนะฟาลามยาจิดูลาฮ์มินดูนิลล่าฮิอังซอจบปิดคดีอบดุนุ่มก็เลยขอดอากุนูรบณ์ لا تذر على الأرض من الكاثرين ديارا يا الله โอ oh baboon นเจ้า لا تذر على الأرض من الكاثرين ديارا ได้ปล่อยหลังจากนี้อย่าได้ปล่อยให้มีบนหน้าแผ่นดินเนี่ยบรรดาคนที่ปฏิเสธศรัทธาเหล่านี้อยากให้เหลือแม้แต่สักคนเดียวดิยาระ ไอ้ว่าหิดันยสกนดารยาให้เหลือสักนค น, นเลยโอเโหอักบารเจ็บเจ็บเจ็บขนาดไหนต้องขอดูอาขนาดนี้อธิบายแล้วนะคงจะเข้าใจเราไม่ได้ทำอะไรเราคงไม่รู้สึเกเจ็บเราอยู่เฉยๆอ่ะใครจะว่าอะไรเราก็ไม่รู้สึเกเจ็บอะไรแต่คนที่ทำงานเนี่ยอะคนที่ทำงานคนที่เขาบอกว่าอะไรนะอ่า ใครไม่ทำอะไรเนี่ยไม่มีวารู้จักความผิดพลาดคนพลาดนี่ก็คือคนทำงานไอ้คนที่ไม่ทำงานมันจะพลาดได้ยังไงไม่เคยทำงานนะหรือไม่โดนว่าโดนบน่นคนทำงานเท่านั้นแหละที่จะโดนว่าโดนบน่นไอ้คนที่ไม่โดนบน่นแสดงว่าไม่ทำงานน่นสิอยู่เฉยๆนะเพราะฉะนั้นต้องเห็นใจอ่ะนีนยอาจจะเป็นเรื่องที่อ่า แต่ว่าผมมีความรู้สึกว่าเราคงไม่ถึงขั้นนบีนุ่มนะเพราะว่าเราไม่ได้ด่ว่าเก้าร้อยห้าสิบปีเราไม่ต้องขอดุดอ้าแบบนี้อันนี้ให้นบีนุ่มคนเดียวอ่าเรานีไม่ต้องขอดุดอ้าแบบนี้เราเราสามารถที่จะเลือกขอดุดอ้าแบบอื่นได้อย่างเช่นดุดอ้าของท่านนบีมุฮัมมัดสลลัลฮุสันลัมนัอุลามะบางคนอธิบายว่านี่คือความพิเศษของท่านนบีมุฮัมมัดเพราะท่านนบีมุฮัมมัดไม่เคยขอดุดอ้า ให้อลัอลลอฮฺลงโทษประชาชาติของท่านในขณะที่น บ, บีคนอื่นๆมีมีกันเกือบเกือบทุกคนน บ, บีนุ่งขอดุอาให้ลงโทษประชาชาติของท่านน บ, บีซ้อนล้วก็ขอดุอาน บ, บีพูดก็ขอดุอา่านะน บ, บีลูดน บ, บีอะไรอีกหลายคนที่ขอดุอาให้ลงง่มจบแต่ท่านน บ, บีมุฮัมมัดของเราท่านไม่ขอ อันนี้เป็นเป็นเป็นเป็นเนืหมัดเป็นราะหมัดอย่างสูงที่ท่านนาบีไม่ขอด้อาให้ประชาชาตนของท่านโดนโทษเหมือนกับที่บรรดาประชาชาิก่อนหน้านี้โดนลงโทษจากอัลลอฮฺม า, าแล้วทั้งทั้งที่ท่านสามารถทําได้ทั้งทั้งที่ท่านนาบีของเราสามารถจะขอด้อาแบบนี้ได้แต่ท่านไม่ขอนะตอนที่ท่านไปตออิฟใช่ไหมครับโดนไล่ โดนคว่างหินลงมาจากตอฟิฟเนี่ยมีมาลาอิกัสที่คอยรักษาภูเขาบอกว่าจะเอาวูเขาสองลูกนี้ไปไปกระนัมคนที่เมืองตอฟิฟท่านนบบีบอกว่าอย่างไงฉันหวังว่าอัาลลอฮาจะให้มีอะไรนะลูกหลานเชื้อสายที่ออกมาจากออกมาจาก กระดูกสันหลังกระดูกสันหลังของบรรดาคนที่ต่อเอฟเนี่ยเป็นคนที่ศรัทธากับอัลลอ์สุนทานเอาแตาละพ่อไม่ศรัทธาไม่เป็นไรสักวันหนึ่งลูกหลานมันจะต้องศรัทธาถึงขนาดนั้นอัลลอ์มาดีก้าวจำดวอานี้ให้ดีดูอ า, อานี้เป็นดูอานี้ท่านนาบีขอให้กับคนที่ต่อต้านท่านอัลลอฮ์มักฟิร์ลิกลุ่มฟะอินนุมลายะเลมุน บางคนบอกว่าอัลลอฮ์มหดีข้าวมิแต่ในนั้นเขาไม่รู้ยาอัลลอฮ์ได้โปรดอภัยโทษให้กับพรกพวกของฉันเพราะพวกเขาไม่รู้ยาอัลลอฮ์ได้โปรดชี้ทางให้กับพรกพวกของฉันเพราะพวกเขาไม่รู้ต้องขอดุอาแบบนี้ขอดุอาแบบนี้ด้วย ah, เวลาเราทชมเทเต็มที่แล้วแต่คนไม่อยากตามเราคนไม่อยากเชื่อฟังเราไม่ใช่ละหนักไม่ใช่สาบแช่งเขา ต้องขออ้อนวอนอัลลอฮฺมหดีก้าวมิ فإنهم ل อ يعلمون อัลลอฮฺมหดีก้าวมิ ف إ ล ه م لا يعلمون ใครจะไปรู้แล้วสุดท้ายนะคนต่ออ้กรับอิสลามหรือเปล่าครับรอิสลามหลังจากนั้นนะไม่ทนที่ท่านนาบีเสียชีวิตคนต่อไอ้กรับอิสลามนี่คือของพิเศษเป็นเบทเรียนที่เราได้รับจากน้าบีสองคนนบีโน่นบีโ น, น, น่นี่ขอด้อาว่าอย่าปล่อยให้เหลือเลยแม้แต่สักคนเดียวเราต้องเห็นใจแล้วมันเป็นสิ่งที่ สุดๆแล้วนะละศาลาก็อนุญาตให้ขอดูอาอย่างนี้ให้แก่ท่านนาบีนุอะไรสาลานะท่านนาบีนุได้บอกเหตุผลด้วยว่าทําไมนะที่ต้องขอดูอาแบบนี้ไม่ให้เหลือสักคนนึงอินนักอินทารุมยิลลูอิเบดักโอ้ Allah ถ้าหากพระองค์ทรงเหลือไว้สมมุติว่ามีสักคนนึงเหลือไว้ไม่ตายนะยิลลูอิเบดักถ้าคนพวกนี้เหลืออยู่เนี่ย เขาจะกลับมาทำให้มนุษย์หลงทางอีกครั้งหนึ่งวะลายลดูอิลลาาจิรอนกับฟารและจะไม่คลอดจะไม่ให้เกิดลูกหลานนอกจากลูกหลานก็จะเป็นคนที่ชั่วคนที่กาเฟตต่อพระองค์อีกอ บ, บีนุรู้ได้ยังไงเรื่องอนาคตรู้ได้ยังไง ร, รู้ด้วยเขาด้ีว่าอะไรนะประสบการณ์ที่มันซ้ำรอยอ่ะ ซ้ำรอยมาไม่รู้ตั้งกี่ศตรวรรษซึ่งพอที่เรียกว่าอะไรก็ตามที่มันซ้ำซ้ำมากมากมา ก, มากเนี่ยมันจะกลายเป็นทฤษฎีนะอะไรที่ทำแค่ครั้งเดียวเรายังไม่สามารถรับประกันผลได้ต้องทำสามครั้งสี่ครั้งห้าครั้งเจ็ดครั้งถ้าเจ็ดครั้งผลมันยังออกมาเหมือนเดิมพอและที่จะเอามาใช้เป็นก็เรียกว่ายืนยันได้แล้ประกันได้แล้ว มันคงไม่ออกไปจากนี้อีละสุนนตุลลอฮ์เาเรียกกฎเกณฑ์ของลอฮ์อันนบิุนไม่ได้รู้อนาคตแ ต, แต่ท่านใช้อะไรเขาเรียกประสบการณ์จากจากที่เคยพบมาตั้งเก้ารห้าสิบปีแล้วปรากฏว่าคนพวกนี้เป็นอย่างนี้จริงๆสอนลูกหลานให้กูฟรอร์ตอัลลอฮ์จูงลูกจูงมือบางทัาศิี่บอกว่าจูงลูกจูงหลานมาแล้วมาชี้แหละเนี่ยจำหน้าคนนี้ให้ดี ถึงขนาดนั้นเลยจําหน้าคนนี้ให้ดีอย่าฟังคนคนนี้เด็ดขาดแล้วจะเอาอยัางไงถ้าเราเป็นเราเราจะเอาอยัางไงถ้ามีคนพาลูกมาอย่าเข้าหาคนนี้นะอย่าฟังคนนี้นะไอวะ้วาะนี่มึงอย่าฟังเด็ดขาดถึงขนาดนั้นนั่นแหละที่บอกว่าถึงเกิดลูกลูกก็จะเป็นคนกูฟอตอีกเพราะสอนมาตั้งแต่เด็กไม่ฟังฮานนาเบนุอะลลอฮิลฮะ อุซุบิลมิลิกเพราะฉะนั้นนี่คือเหตุผลที่ว่าทำไมท่านอบีนุลฮะลห์สลามจึงต้องขอดุอาอย่างนั้นลลลาอิลลซกรุลลอฮวทูลสุดท้ายอันเนี้ยสวยงามดุอาบทนี้เป็นอุทาที่ใช้ได้เลยนะครับเราเองก็ต้องขอดุอานี้ด้วยนะครับอบบิลฟิรลี วิว sure ัลเดียวิลไม่ดั่งขับไปตีมุ่งมิันวิลมุ่งมิ่นน์นวิลมุ่งมิ่นัตวิลาที่ดิ้นดีดีดีีดีดีดีดีดีดีดีดีดีดีดีดีดีดีดีดีดีดีดีดีดีดีดีดีดีดีดีดีดีดีดีดีดีดีดีดีดีดี สังเกตได้ดีนะอันนี้นบีนุ่มขอด้อาให้กับพ่อแม่ของท่านด้วยนักศึกษาบางท่านก็เลยอธิบายว่าเราเข้าใจจากด้อานนี้ว่าพ่อแม่ของท่านนาบีนุ่มนั้นเป็นเป็นผู้ศรัทธาห้ามดยเิ็ลขาดนะเพราะว่าท่านนาบีนุ่มได้ขอด้อาว่าให้อัลลอฮฺต้าอัลานั้นอภัยโทษให้กับทั้งสองท่านด้วยไม่เช่นนั้นแล้วท่านก็ขอด้อาแบบนี้ไม่ได้นะเราขอด้อา ให้อัลลอฮฺอะลัยฮโทษให้กับคนที่เป็นกาเฟรไม่ได้แต่ถ้าเรารู้ชัดว่าเขาเป็นกาเฟรอัลลอบิลละเบิดะลแต่ท่านนาบีนู๊ได้ขอดูอาอย่างนี้นักตับเสียก็เลยอธิบายว่าทั้งสองท่านพ่อแม่ทั้งสองคนของท่านนั้นเป็นเป็นมุขมินวะลิมันดารคลาเบียมุขมินั น, นสาม ให้อภัยโทษให้กับตัวเองให้กับพ่อแม่แล้วก็ให้คนที่เข้ามาในบ้านในบ้านของท่านในฐานะที่เป็นในสภาพที่ยังเป็นผู้ศรัทธาต่าอ a ล l a h Subhanahu Wa Taala อันนี้แสดงว่าคนที่อยู่ในบ้านแต่ไม่ใช่มุสลิมก็ไม่เข้าในดวงานี้ซึ่งรวมถึงลูกและภรรยาของตัวเองลูกของนบีนุ่มอยู่ในบ้านนาบีนุ่มไหม อยู่ในบ้านนบีนูภระยาอยู่ในบ้านนบีนูไงอยู่ในบ้านนบีนูแต่ถามว่าเป็นมุกมินหรือเปล่าไม่ใช่มุกมินเพราะฉะนั้นสองคนนี้ไม่รวมอยู่ในดวอานี้นะตูมห์อัลลอฮ์วลิลมุกมินีนวลมุกมิน่าและได้ได้โปรดอภัยโทษให้กับมุกมินและมุกมิน่าทุกคนตั้งแต่ยุคของท่านจนกระทั่งวันเกียร์มัด รวมอยู่ในดูอานี้หมดเลยดูอานี้จึงเป็นตัวอย่างสำหรับเราเวลาที่เราขอดูอาจะต้องขอดูอาให้กับพี่น้องมุมินและมุกมินาตของพวกเราทุกคนด้วยมันไม่ได้หนักหนาอะไรอ่ะเวลาที่เราขอดูอาราบิลฟิรีวา ล, ลิมุกมินี น, นาวาลมุกมินาหนักหนาอะไรไหมฮะไม่หนักหนาอะไรเลยช่วยกันขอผม ขอให้กับพี่น้องพี่น้องขอให้กับโดยที่เราไม่ต้องระ บ, บุชื่อมันรวมอยู่ในนั้นแล้วถ้าคุณเป็นมุสลินคุณก็รวมอยู่ในในดูอานี้ถ้าเราเป็นมุสลินใครก็ตามที่ขอดูอาแบบนี้เราก็จะอยู่ในในดูอาของเขาด้วยอันนี้เป็นสิ่งที่สวยงามท่านนาบีเองก็สอนให้เราขอดูอาแบบนี้รับบิรบ ล, ลีนบีบรออีมก็ขอดูอาแบบนี้เหมือนกันา น, นาบีหลายหลายคนขอดูอาแบบนี้หมดเลย ให้อัลลตาลาอัปยโทษให้กับตัวเองให้กับลูกหลานแล้วก็ไม่ลืมที่จะขอดูอาให้กับพี่น้องอันนี้เราเรียกว่าสายสัมพันธ์แห่งอิมานมันไม่มีการเวลาสายสัมพันธ์แห่งอิมานมันไม่มีโบมันไม่มีอดีตมันไม่มีอนาคตการเวลาไม่สามารถที่จะแบ่งแยกผู้ศรัทธาได้มัช่าง Allah ศา ส, สนาอิสลามอิมานการศรัทธาต่อ a l l a เป็นสิ่งสากลทั้งในแง่ของยุคสมัยและในแง่ของปุวิศาสร์อันนี้คือความสวยงามพวกเราถ้าเราจะนับจริงๆเนี่ยเขาเรียกว่าสายโซ่แห่งการเป็นมุสลิมนเนี่ย นับไปจนถึงท่านนบีอาดัมอลัยฮิสซลามเลยนะแล้วเราไม่ภูมิใจได้ยังไงลองนับดูสิเรารับอิสลามมาจากใครแล้วคนที่รับอิสลามก่อนหน้าเรามาจากจนถึงท่านนบีมุฮัมมัดสลลาะฮฺอะลัยฮฺพอถึงท่านนบีมุฮัมมัดก็จบแล้วท่านนบีมุฮัมมัดเป็นเส้นสายของของบรรดานบีทั้งหมดจนกระทั่งถึงท่านนบีอาดัมอลัยฮิสซลามนี่คือมุ่มิ่ง การเวลาไม่สามารถที่จะแบ่งแยกเราได้ภูมิศาสตร์ก็เหมือนกันในเชิงภูมิศาสตร์นะไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนถ้ามีละอิละฮะอิลล allah มุฮัมมัดอッลรัสูล ullah เป็นพี่น้องของเราเป็นมุกมินเป็นมุกมินาตเลยทันทีอัลลอฮ์นะในส و ر ะอุลอาลัที่เราเรียนไปแล้วนะเซบิอิสมารบิกัลอาลัสุดท้ายอายัดสุดท้ายละตัลว่าอย่างไงละตัลว่าอย่างไงครับ สุขุภีอิบรอฮีเนมะูซาันนี้คือหลักฐานที่บอกว่าศาสนาอิสลามเป็นศาสนาสากลไม่ใช่ศาสนาของคนในยุคหนึ่งไม่ใช่ศาสนาของคนในประเทศใดประเทศหนึ่งแคว้นใดแคว้นหนึ่งทวีปใดทวีปหนึ่งนี่อันนี้คือความสวยง่ายมากๆเราอธิบายไม่ถูกเราไม่ต้องมีพาสปอร์ต ใ น, นสมัยก่อนเนี่ยเขาเขาข้ามทะลุอะไรเ็าเรียกทะลุทวีปนะไปที่ไหนก็ไม่ต้องใช้พาสปอร์ตใช้อิมานอย่างเดียวใช้อัสสลามุอะลัยกุมวะอะลัยกุมุสลาหจบรู้ได้อัลอะลัยมอัุมสาลจรู้ได้อัสลามุอะยมวะอัยกางเรดีัสมัย ก, ก่อนใครกุม า, ารได้ังสาอัยกอนัสาารได้อัสสามาอัยกุมวอังเขาลาจบได้ไมัมฟิลิ ป, ปินมวะลิ ป, ปินม ทำได้ไหมฟิลิปปินมาจากอะไรชื่อฟิลิปปินจริงๆเนี่ยมาจากอะไรแล้วเรื่องราวประวัติศาสตร์มันเกี่ยวข้องยังไงในสมัยนะั้นยังไงที่แปลกมากมีบางทีเราเราเราไม่ค่อยรู้ประวัติศาสตร์เท่าไหร่ก็เลยไม่เห็นถึงความความสวยงามของอิสลามจริงๆแต่ก่อนเนี่ยภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรืออาเซียนที่เรากำังจะเป็นอาเซียนกันอยู่เนี่ยอัลลอฮมันเชื่อมโยงกับอาณาจักร ออสมาเนียที่ตุรกีอาณาจักรออตโตมันเราทักเกิดเหตุการณ์ขึ้นที่อินโดนีเซียปุ๊บตุรกีพร้อมที่จะส่งอกองกําลังมาปกป้องนะฟิลิปปินแต่ว่าน่าเสียดายที่ว่าตอนที่โปรตุเกสโปรตุเกสด้วยเป่าที่ไปฟิลิปปินโปรตุเกสหรือว่าสเปนตอนที่โปรตุเกสเข้าไปในฟิลิปปินช่วงนั้นเป็นช่วงที่อาณาจักรออตโตมันอยู่ในขา าลงไม่มีกำลังที่จะมาที่จะมาช่วยแต่ว่าทราบเรื่องไหมทราบเรื่องตั้งใจที่จะมาแต่มาไม่ได้ละเพราะว่าหมดหมดเขี้ยเล็ t หมดสุบขั้นอัลลอฮ์ถ้ามีเขี้ยเล็ t อยู่มาแน่ น, นอนใช้อะไรมานี่ไงหมุกมีนี้นะวันหมุกม่น่าสุดขั้นอัลลอฮ์เพราะฉะนั้นเวลาที่เราขอดูอาเนี่ย ถ้าเราขออุอาอย่างมีความสัมพันธ์ของเราเล阿拉ตัลจะตอบย้ำอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นมุกมินที่อยู่ใกล้ตัวเราหรือมุกมินที่เราไม่เคยเห็นหน้ามา ก, ก่อนท่านนาบีสุลานขอราสัลลัลลเคยทำตัวอย่างให้กับประชาชนาของท่านครั้งหนึ่งท่านเคยบอกว่าฉันคิดถึงลอเกินอ่าท่านนาบีว่าฉันคิดถึงพี่น้องของฉันละเกินซาบ้างงงเฮ้ พวกเราไม่ใช่พี่น้องของท่านหรื อ, อ <c oughs> ท่านอาบีบอกว่าอย่างไงพวกท่านน่ะเป็นซาบาของฉันอันเนี้ยฉันจะคิดถึงทำไมก็ท่านอยู่กับฉันอยู่แล้วพวกท่านนี่อยู่กับฉันอยู่แล้วฉันจะคิดถึงทำไมอีกฉันคิดถึงพี่น้องของฉันที่ไม่เคยเห็นหน้าฉันแต่เขาศรัทธาต่อฉันโดยที่ไม่เคยเจอสักครั้งหนึ่ง ท่านนาบีคิดถึงพวกเราพวกเราทุกคนเราเคยเห็นท่านนาบีหรือเปล่าไม่เคยเห็นท่านนาบีอยากจะเจอหน้าพวกเราอัลลอฮฺอักบะรอชอัลลอฮ์นะขอดูอาให้เราได้เห็นได้พบกันในวันอาขัยรัะได้ไปหยิบขันน้ำที่ท่านนาบีตักให้เราดื่มนะสะน้ำของท่านในวันอาขัยรท่านนาบีคิดถึงพวกเราเหไหมส่งความคิดถึงมาจนถึง จนถึงพวกเราทุกคนจกนกระทั่งอวันแก้มต้องเอาตัวอย่างนี้มามาใช้กับเราต้องหวังดีกับพี่น้องมุสลิมด้วยกันะต้องขอดูอาให้ไม่สามารถที่จะหยิบยืน่นความช่วยเหลือในรูปแบบของวัตถุหรืออะไรก็แล้วแต่ดูอาไปถึงอยกตัวอย่างเช่นพี่น้องของเราที่กำลงัลงลำบากอยู่ตอนนี้เราไปช่วยเองไม่ได้เราไปช่วยกับทรัพย์สินไม่ได้บางทั้งแต่ตอนเนี้ยช่วยได้แล้วไม่ไม่ถึงกับว่า ส่งไปไม่ได้นะตอนเนี้ยตอนนี้เนี่ยส่งไปได้เรามีพี่น้องของเรากลุ่มหนึ่งที่กําลังอาสาจะนําความชื่อเหลือของเราไปให้กับพี่น้องของเรายัง ก, กำลังลำบากได้ให้มีด้วยะไปเองไม่ได้ส่งทรัพย์สินส่งส่งตังของเราไปให้พี่น้องได้ได้รับและที่ที่สําคัญที่สุดก็คือส่งความรู้สึกสายสัมพันธ์ในดวอาของเราในความหวังดีของเราให้กับพี่น้องของเราทุกคนเหมือนกับที่ท่านนบีนุ่มอัลฮิสลาม นี่ท่านนาบีนุสส่งความคิดถึงมาให้เราแล้ววิริลุ่มมีนี่นะวิรมลุ่มมีนัดรวมเราอยู่ด้วยไหมอินชาอัลลอฮ์แต่ในดุอาของท่านนาบีนุสมีเราอยู่ด้วยแล้วเราละ่ะเวลาที่ขอดุอาทำไมจึงไม่มีพี่น้องของเราอยู่ในดุอาของเราอันนี้เป็นสิ่งที่น่าคิดนะวะลา تزد الظالمين إ ل บ ا تبارا อย่าได้เพิ่มให้กับบรรดาคนที่อธรรม นอกจากความไหยนะเท่านั้นนะอูบิลลาฮิมิซัลิกอันนี้ก็น่ากลัวนะตรงข้ามตรงกันข้ามกับการปฏิกับการศรัทธาต่ออัลลอฮ์นะกับการเป็นผู้ศรัทธาก็คือผู้ที่อธรรมผู้ที่อธรรมต่อตัวเองผู้ที่อธรรมต่อผู้อื่นโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่อธรรมต่ออัลลอฮ์สุบฮานะฮุตะอัลละชิริกเป็นการอธรรมที่ใหญ่ที่สุดจํานวนการอธรรมอินน์ชิริกแลมุนอ ع ซี م ลุกมานได้สอนลูกว่าม่ต้องชริกบิลลาอินนัชรค์ละโลมนังยิ่งเลยได้ตั้งภาคีกับอัลลอฮ์ประการตั้งภาคีกับอัลลอฮ์นั้นเป็นจุลเป็นการอาธรรมที่ใหญ่ที่สุดที่ใหญ่หลวงที่สุดแล้วอะลซัมบิลลาบิลลานี่แล้ที่น่าสังเกตก็คือว่าไปต้องลองสังเกตดูนะความชั่วร้ายทั้งหมดในโลกนนี้้แมมววว่่าาาจะเป็คชัรยบบไหน มีต้นตอมาจากการปฏิเสธอัลลอฮ์สุพรรณแต่ละแทบทั้งสิ้นลองไล่เรียงดูความชั่วร้ายของคนในยุคท่านอบีนลก็คือการชีริกชัดเจนมากว่าปฏิเสธอัลลอฮ์ความชั่วร้ายในยุคของนบีฮูดนบีฮูดเนี่ยก็คือพวกอาตพวกอาตเป็นพวกที่เยโซโอหังเพราะตัวเองใหญ่ร่างใหญ่แล้วก็ ถ้าคนอื่นเป็นผักเป็นปลางก็เกิดมาจากการที่ไม่ศรัทธาต่อล l l a h ยุคนบีซอลและยุคนบีซอลและเนี่ยพวกของนบีซอลและนี่ฆ่าฆ่าอูบเป็นพวกที่ทําลายทรัพยากรธรรมาชาติก็คือมาจากไม่ปฏิไม่ศรัทธาต่อ a l ะ a h มาถึงยุคของนบีลูตนบีลูตนี่เป็นพวกที่พวกของนบีลูตเป็นพวกที่ตตรุปฏิตทางเพศ ก็เกิดมาจากการที่ไม่ศรัทธาต่อโลกมาถึงพวกของนบีชูอัยนบีชูอัยเนี่ยปัญหาของพวกนบีชูอัยก็คือโกงตาช่างเป็นพวกบัญทําลายเศรษ ฐ, ฐกิจพวกนี้พวกทําลายเศรษ ฐ, ฐกิจเรื่องเศรษ ฐ, ฐกิจที่เกิดขึ้นในยุค ข, ของนบีชูอัยเนี่ก็เกิดมาจากการไม่ศรัทธาต่อโลกการไม่ศรัทธาต่อโลกนี่เป็นบอ่อเกิดแห่งความชั่วร้ายทุกอย่างในโลกนี้ น้ากลัวนะเขาเรียกว่าเป็นแหลง่งแหล่งดึงโรคต่างๆให้เข้ามาติดอยู่ในหัวใจของมนุษย์และทำทุกอย่างได้ไม่มีอัลลอ์พระองค์เดียวทำทุกอย่างได้หม ด, นะอ ด, ดเอาสุเป็นอย่องเอเป็นแหล่งอนลมนะอิลาฮอลิลลัลลอฮนะเพราะฉะนั้นต้องระวังให้มากนะครับการกูฟตการชีริกนะโรคที่เกี่ยวข้องกับหัวนะใจที่ใหญ่ๆพวกนี้ ไม่รู้ไม่ได้ไม่รู้ไม่ได้ต้องรูต้ต้องป้องกันตัวเองต้องป้องกันลูกหลานให้พ้นจากสิ่งที่จะทำลายอิมานของเรานะครับมันมีหนังสือที่เขียนอยู่อะนาวากีดุลอิสลามสิ่งที่ทําให้อิสลามที่อยู่ในตัวของเราเนี่ยหลุดไปจากตัวท่านอุมัตหรือเปล่าที่พูดนะครับว่าอะไรนะ ยังข uh, ุด ah <laughs> ุรอิสลามอรตันอรตันมนชานอิสลามปมเชือกหรือปมขมวดอิสลามที่อยู่ในตัวของเราเนี่ยจะหลุดไปทีละปมทีละปมทีละชิ้นทีละชิ้นทีละชิ้นถ้าคนคนนั้นเติบโตขึ้นมาในสังคมมุสลิมแต่เขาไม่รู้จักจิลิ ي ة เห็นไหเป็นลูกมุสลิมอยู่ในหมู่บ้านมุสลิมมีสุราอยู่น้าบ้านแต่ไม่ได้เรียนไม่ได้รู้ว่าอันเนี้ยถูกอันนี้ผิดอันนี้ชิริกอันนี้อ ي م อันนี้ตักวาอันนี้จเจริญญาถ้าไม่รู้ระวังให้ดีจะออกไปจากอิสลามโดยโดยไม่รู้ตัว งุอุเราะอิสลามอุราะตั้อระตัมนยสาอิลาใครที่เติบโตมาในสังคมมุสลิมแต่ไม่รู้จักชาเลยะเพราะบางทีเราทาบางเรื่องบางอย่างไม่รู้มันเป็นชิริกแต่เราทํานั่นแหละที่ที่มันมีดูอาอยู่บทหนึ่งที่ป้องกันชิริกได้ดูอาป้องกันชิริกที่ท่านนบีสก็คืออัลลอฮมะอินนีอูซบิกะ อันอัชร la ah ิกับค่ชัยอันอัลลัมและอัลลอฮฺจะใหอคุ้มครองขอความคุ้มครองต่อพระองค์จากการที่ฉันจะไปชี้ริกต่อพระองค์ในขณะที่ฉันรู้ตัว น้อุ้มส์บอัลล์บางทีเราเรารู้ตัวแต่เราไปทชิริกเนี่ยนาอุ้มับอัลลอฮ์มอตันกและอัลอัลลอจะาไัวละฉาันขออภัยโทษต่อพระองค์จากการที่ฉันไปชิริกโดยที่ฉันไม่รู้ตัวบางทีเราชิริกโดยไม่รู้ตัวเขาต้องขออภัยโทษจากอัลล์สุบะฮตะลานเดียวกันอัลอฟ์ระใาัเองัทจากวราชกริกเป็นเรื่องยที่อันตมรายอันตารายมากนะครตัวต้องัาอง ต้องเอาจริงเอาจังต้องเข้าใจให้ถ่องแท้จะต้องเรียนรู้เรื่องนี้เป็นเรื่องแรกๆลำดับสำคัญแรกๆในชีวิตของการเป็นมุสลิมของเราขออุอาให้อัลลอฮ์สุบฮานะตะลให้เราได้ยืนหยัดบนเส้นทางแห่งฮิดายัตเส้นทางแห่งทางนำจากอัลกุรอานจากคำสอนของท่านนาบีและบรรดาอัลเบียทุกคนก่อนหน้าท่านนาบีของเรามุฮัมมัดสลลัลลอฮุอะลัยฮิวัลลัม الله تعالى عالم صلى الله لنبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة أما يسفون والسلام على المرسلين ا ل ح م د لله رب العالمين س ب ح ا ن الله